ที่เรามาเห็นก็แล้วก็ไม่ก ไ, ไ, ไม่ค่อยสะดวกดอกแต่ถ้ามาเห็นวัดมาอารามเห็นถนนหนทางเห็นผู้เห็นคนเห็นพระสงฆ์เห็นหลวงพ่อเห็นวาจาวาจิกาที่อยู่ที่นี่อันนั้นก็อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าชอบหรือไม่ชอบความจริงแล้วสุขโต ต, ต้องเข้าให้ถึงให้เข้าถึงความรู้สึกคิดนึกของพวกเรามีสติลงพื้นที่ มีสติลงไปที่กายที่ใจถ้ามาสุขโตต้องเข้าถึงส่วนไหนจึงจะเป็นสุขโตคือมาดีมามีความโลภสึกตัวซึมซับเอาความโลภสึกตัวเอากายไปจุ่มเอาเอากายไปต่อเอาเอากิจเอาใจไปจุ่มเอาเอากิตเอาใจไปต่อเอาให้มันติดมันซับออกมันเราย่อมผ้านะ เท่ากายไปจุ่มมลอื่นมันก็ได้อันข อ, อ, องปอมๆไปไปจุ่มเอาความรักไปจุ่มเอาความชังไปจุ่มเอาความยินดียินร้ายไปจุ่มเอาความชอบไม่ชอบมาสุขัโตฉันชอบมาสุขัโตฉันไม่ชอบมาสุขัโตเป็นทุกมาสุขัโตมีความสุขยังของปลอมนะแต่ถ้ามาลู่สึกตัวมาลู่สึกตัวมาลู่สึกตัวเนี่ยอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่บ่งคี่ให้พวกเรา แทนที่เรามาสุขโตอย่างเดียวเราจะได้สัมผัสกับอะไรที่มันลึกซึ้งความรู้จัตตัวน ะ, ะจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจิตสงบเย็นเบาเปลี่ยนล่วงพ้นภาวะกกล่องท่านหลวงพ่อจึงขอฝากพวกเราว่าขอพับใส่กระเป๋ากางเกงขอพับใส่กระเป๋าเสื้อให้พวกเราไม่นักหรอกโล้ไวไม่ใช่บาดแบกหาม เราจะทำอะไรก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดให้มีความรู้สึกตัวเมื่ออะไรเกิดขึ้นให้ดูอย่าเพิ่งด่วนเข้าไปเป็นกับสิ่งต่างๆให้ดูก่อนเอาความดูออกหน้าออกตาเห็นนะเช่นมันโกรธให้เห็นมันโกรธอย่าเพิ่งด่วนเป็นผู้โกรธถามันทุกข์ก็ให้เห็นว่ามันทุกข์อย่าเพิ่งด่วนว่าเราเป็นผู้ทุกข์ให้ดูจ้ะการดูอย่างนี้นะปลอดภัย เป็นชีวิตที่ปลอดภัยมากทีเดียวเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้เพื่อจะเหมาะที่จะอยู่ในโลกกับเขาเพราะโลกมันมีรสชาติเหลือเกินตัวนะจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เพราะโลกนะแต่เราดูไม่เป็นนะมันก็พลัดไปทางสุขมันพลัดไปทางทุกข์มันมีอารมณ์สองอันมันบวกมันลบอารมณ์ของโลกนะที่อยู่ในชีวิตเรานะมันมีบวกคือยินดีมันไม่ลบคือยินร้าย ยินดีเราก็อยากได้มายินร้ายก็อยากหนีออกไปอยากบังคับขับใสออกไปเพราะฉะนั้นะถ้าเราดูเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างถูกต้องทีเดียวมาร้ายก็กลายเป็นดีมาผิดก็กลายเป็นถูกนะถ้าเราดูนะจะได้ปัญญาจะมีบทเรียนที่ควงใหญ่ไพศาล น, นะการบทเรียนการเรียนรู้เรื่องชีวิตเนะี่ยมันมีอยู่ทั่วทวไป ห้องเรียนที่่วงใหญ่ไพศาลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสจิตใจคิดขึ้นมารู้ไว้รู้สึกตัวไว้เอาความรู้สึกตัวออกได้เป็นบังเกอร์เป็นสิ่งตรวจสอบโต้ตอบทักท่วงอย่าเพิ่งให้เข้าถึงตัวนี่เราต้องหัดอย่างนี้นะเม้่ก็เรามีมือต้องเก็บดูอะไรก่อน มีเครื่องมือที่เราใช่มีตาต้องดูก่อนมีจมูกต้องดมกลิ่นดูก่อนมีจิตมีใจต้องคิดดูก่อนเพราะนั้นเราก็ใช่คนมากอยู่แล้วเราก็ปลอดภัยเพราะสิงเหานี้นะบางทีตาก็บอกห่มทั้งความผิดความถูกบางทีก็หูบางทีก็กลิ่นก็บอกหวงทั้งความผิดความถกาู ก, ห ก, ก, ก, ก, ถกให้แก่เราพอสมกวดวันนี้เรามีอีกอันหนึ่งคือเสริมเข้าไป กำลังเสริมก็ไปคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นอรเียทรัพย่ยาให้มันจนความกโกรธคือคนจนสตินะคนกโกรธไม่ใช่อื่นไกลหรอกความทุกข์ก็คือคนจนจนสตินะความโลภความหลงคนจนสติถ้าไม่มีถ้าไม่จนสติจะไม่มีจิงนั้นหลวงพ่อเขาบอกไปได้เลยว่าเหตุที่เรากโกรธเพราะเราจนสตินะถ้าเราไม่จนสติเนี่ยรับรองไม่โกรธ เหตุที่เราทุกข์เพราะเราจนสติอย่าไปแคร์คนอื่นทําไมเขายังว่าเราทําไมยังทํากับเราอย่าไปแก้อ ย, กกอย่าไปเจนคนนะเราต้องแก้ที่ตัวเราก่อนเหตุที่เราทุกข์เหตุทีเทท่เราโกรธมันก็เราจนเสติกลับมาหาตัวมาสร้างตัวนี้มือเสริมตัวนี้เข้าไปใช่ตัวนี้ให้มากๆนะวิธีการอยู่ในโลกเป็นศิลปะที่เราจะต้องศึกษาชีวิตของเราเพื่อความปลอดภยัย เราก็ช่วยคนอื่นบ้างตามฐานะของพวกเราอย่างคณะธรรมหันสาที่สุขโตทุกครั้งทุกคราวมันก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อเพื้นที่ต่อที่นี่มากพอสมควรนะบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นก็มาเห็นนันก็ขอบอกว่านะถ้ามาเห็นกติสารายเห็น ธรรมชาติเห็นผู้เห็นคนนั้นอย่างยังอย่าพึงด่วนตัดสินใจถ้าต่อเมื่อใดที่เราได้มานั่งลงบนกติฉันข้าวเสร็จทานอาหารเสร็จกลับไปนั่งที่พักของตนของตนล้วก็เดินจงกรมอย่างมีสติก้าวแต่ละก้าวก้าวแต่ละก้าวให้มีความรู้สึกตัวกลับไปกลับมานอกจากนั้นเราก็มานั่ง เ่อนไวยกมือสร้างจังหวะรล้สึกตัวรล้สึกตัวสักหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจดวันอะไรอะไรนะมันจะอยู่ในระหว่างเ็ดวันอ่าเ็ดวันนี่มันกศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะโดยเพราะชีวิตของเรานะผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆหนึ่งวันยังสับสนยังจับต้นสายไปเหตุอ่ไ้สองวัน ก็ยังลังเลสงสัยสามวันก็ยังถ้าจะมีอะไรแสดงออกก็แสดงอย่างรุนแรงความไม่พอใจก็แสดงออกในวันที่สมความพอใจก็แสดงออกในวันที่สามถ้าสี่วันนะก็ค่อย็อยได้รับได้รับลูกอะไรบ้างลูกจกแยกจกยะพอห้าวันหกวันเข้าโลกแล้วเข้าโลกจะเข้าถึงตัวสติเข้าถึงความสงบตัดสินใจได้ จะข้าววันหกวันเจ็ดวันมันไม่ความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับอเราบ่มกล้วยหรือว่าอะไรที่เราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเกดวันห้าวันนะมันมักจะมีอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงท่านก็ขอให้พวกเราได้มีโอกาสหาโอกาสได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวให้จนได้พยายามหาให้จนได้ แม่ไม่ได้อยู่ที่สุโขทัยอยู่ที่ไหนก็ได้นั่งอยู่บนรถเมลรถมันติดก็พากะเด็กเลี้วมือเล่นเล่นพลิกมือมือวางไว้บนตับต่อพลิกมือเล่นเล่นอย่าไปด่านายกรัฐมนตรีอย่าไปโกรธให้กรุงเทพอย่าไปโกรธให้ใครคนอยู่ข้างหน้าเราทําไมมันไม่ไปคนอยู่ทางหลังทําไมบีบแต่ด่าเราเลือเกินอย่าไปคิดอย่างั้นพลิกมือรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวดีดีกว่าที่จะป่วยป่วยนะขัดจะนี่นะ้ อย่าออกไปง่ายกันไปกลับเข้ามากลับเข้ามาลู่จตัวได้เหมือนกันนะเพราะนั่นนี่เราอย่าลืมต้องไม่ไปขอฝากเป็นของฝากพับใส่กระเป๋าเสื้อไปไม่นานแล้วนะรางก็ขอหนวยพร้อให้ทุกท่านจะเดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพมีความสุขกายสบายใจทุกคนได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติทําได้มีโอกาสเข้าถึงขนเอาทําเบื้องสูงในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนทุกคนนั่นเธอ